มีความจริงที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งคือเมื่อท่านผู้ประพันธ์งานดนตรีเหล่านั้นได้มาสู่โลกนี้แล้วทุกท่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบทประพันธ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นเสมออันหนึง่งยังมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรลงมาอีกด้วยซึ่งเราจะได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของดนตรีลงมาเป็นลาดับ ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าณที่นี้เป็นที่รวมของหนังสือวิทยาการประวัติศาสตร์และงานประพันธ์ดนตรีทั้งหลายนั้นไร่ขอกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆทั้งนี้เพราะหนังสือก็ดีหรืองานประพันธ์ก็ดีที่หาได้แสนยากในโลกมนุษย์โดยจะเป็นเพราะความเก่าแก่หรือมีอยู่น้อยชิ้นอย่างไรก็ตามหนังสือและงานเหล่านั้นจะมีอยู่ณที่นี้อย่างสมบูรณ์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 และแม้จะแก้ไขปรับปรุงงานดนตรีของตนในโลกมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเสมอโดยในยะานี้อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องการดนตรีนี้พวกเราชาวโลกทิพย์ได้ศึกษาค้นคว้าและประพันธ์ต่อจากโลกมนุษย์โดยแท้กล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือจุดสูงสุดแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือความไพเราะและเมียดละไมของดนตรีในโลกมนุษย์นั่นแหละ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 การฝึกหัดเรียนเครื่องมือการดนตรีไม่ว่าอย่างใดในโลกนี้จึงไม่ต้องกินเวลามากมายอย่างน่าเบื่อเช่นในโลกมนุษย์เลยผู้ศึกษาจะรู้สึกด้วยความอศัศจรรย์ใจว่าได้รับความคล่องแคล่วและชำนาญในเครื่องมือนั้นๆด้วยความรวดเร็วยังไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายประการซึ่งหาไม่ได้ในโลกมนุษย์และเป็นเครื่องดนตรีที่คิดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับในโลกนี้เท่านั้น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 ห้องคอนเสิร์ตในที่นี้มีอนาเขตเป็นรูปวงกลมกว้างขวางมากมีที่นั่งสำหรับผู้ฟังลดหลั่นกันลงไปจนถึงพื้นชั้นล่างซึ่งเป็นที่ของนักดนตรีณที่นี้ขอให้ท่านทราบไปก่อนว่าห้องคอนเสิร์ตดังกล่าวมานี้หาใช้อยู่บนพื้นดินไม่แต่ความจริงเป็นรูปเหมือนชามอ่างใบใหญ่มาฮมาฝังลงไปในดินลึกมากดังนั้นที่นั่งโนที่อยู่ไกลาจากผู้บรรเลงดนตรีที่สุดก็คือ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 ก็ปรากฏว่ามีผู้คนทยอยเขามานั่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับเรามากขึ้นเป็นลำดับบริเวณสถานที่ซึ่งเมื่อครู่นี้เองยังว่างเปล่าอยู่นั้นบัดนี้กลับมีผู้คนทยอยมาอย่างมากมายบางก็เดินเอ่ยไปมาและบางก็นั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างสบายอารมณ์สภาวะของสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่รู้สึกว่าสมบูรณ์กว่าสุขใดๆในโลกมนุษย์อย่างมากมายยิ่งนักเรากำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวสดความเพลิดเพลิน เ, เจริญตาและเจริญใจมีอยู่โดยรอบทั้งในส่วนธรรมชาติคือไม้ดอกและไม้ยืนต้นนานาพันธุ์และในส่วนมิตรสหายผู้หวังดีคือเอ็ดวินและรูธตลอดจนถึงผู้คนแวดล้อมเราอยู่โดยรอบซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่าเป็นผู้ที่มีน้าใจดี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 ไม่ว่าท่านจะมีเงินทองมั่งคั่งเพียงใดก็ตามท่านทั้งหลายความสุขของชาวโลกมนุษย์นั้นหาที่เปรียบกับที่นี้ไม่ได้เลยเอ็ดวินได้บอกให้เราลองเดินไปชะงงกดูลงไปข้างล่างซึ่งเป็นที่นั่งของผู้ฟังทั้งหลายอันลดหลั่นกันลงไปนั้นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องได้รับความประหลาดใจเป็นอันมากที่บรรดาที่นั่งเหล่านั้น มีผู้คนนั่งเต็มไปหมดทั้งๆ ท, ที่เมื่อสักครู่นี้เองไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดยอยู่เลยนอกจากนั้นนักดนตรีทั้งหลายก็พากันมาครบบริบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันเมื่อขับเจากลับมาถามเอ็ดวินถึงการมาดุดปาฏิหาริของบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกับการเรียกคนมาฟังเทศน์นั่นเอง ในการเรียกคนมาฟังเทศพระสามารถเรียกคนมาฟังได้โดยส่งประสาจิตออกไปเรียกได้ฉันใดในเรื่องดนตรีก็คงเป็นเช่นเดียวกันผู้กำกับวงดนตรีเมื่อเห็นว่าคณะของตนพร้อมแล้วก็ส่งประสาจิตออกไปเรียกคนฟังและผู้ฟังต่างๆก็มาถึงที่นั้นได้ในทันทีชั่วพริบตาทั้งทั้งที่เรานั่งอยู่ห่างจากบริเวณพอจะมองเห็นผู้ที่มาฟังได้ ก็ยังหามองเห็นไหมสำหรับรูดกับข้าพเจ้านี้ในเมื่อเราได้แสดงตนว่าเป็นผู้สนใจในทางดนตรีอยู่แล้วก็ควรติดต่อกันไว้กับผู้น้าวงต่อไปเมื่อมีการบรนเลงอีกเขาจะได้ส่งกระสาจิตไปเรียกได้โดยสะดวกวงดนตรีซึ่งเป็นวงออเคสตาราวงนี้มีนักดนตรีประมาณสองอคน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 แล้วแลดูเสมือนจะค่อยๆแผ่กระจายกลายเป็นวงกว้างออกเป็นสีสุกสกาวอยู่โดยรอบที่นั่งชั้นบนสุดคือที่อยู่เสมอระดับพื้นดินที่ประหลาดใจ ย, ยิ่งขึ้นก็คือเมื่อดนตรีได้บรรเลงต่อไปเป็นเสียงดังขึ้นลำแสงประหลาดนี้ก็ทวีความแน่นในตัวเองและความเข้มของสียิ่งชัดขึ้นด้วยเหมือนกันปรากฏการณ์อันน่าพิศวงเช่นนี้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 พุ่งทะลุเลยม่านแสงเดิมอยู่ขึ้นไปโจช่วงอยู่ในอวกาศครู่หนึ่งจึงค่อยๆลอยเลื่อนลงมาพร้อมกับแผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปทุกขณะในขณะเดียวกันเมื่อเสียงดนตรีเปลี่ยนท่วงทีทำนองไปลําแสงใหม่พร้อมทั้งม่านแสงเดิมนั้นก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นและจางลงบ้างสอดแทรกกันและกันเป็นดุจสีรุ้งและสีเหลือบทำให้เกิดความเป็นเลื่อมพายหน้าดูอย่างประหลาด ถ้าพระเจ้าพึ่งเข้าใจในบตดนี้เองว่าเอดไดเอดวินจึงบอกว่าเราควรจะนั่งฟังอยู่ห่างๆจะดีกว่านั่งในระยะใกล้ในโลกทิปเสียงดนตรีและแสงสีเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เช่นนี้เองโลกทิป ไม่ใช่โลกแห่งความอึกระทึกครึกโครมในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ้นได้แก่บางท่านคือเมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าแสงและเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจักกันไม่ได้ในโลกทิพนั้นไม่ได้หมายความว่าในโลกทิพนี้จะเต็มไปด้วยเสียงต่างๆหลอกหูพวกเราอยู่ตลอดเวลา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 เขาจะได้รับความสุขชื่นบานอย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยด้วยเหตุดังกล่าวมาบุคคลผู้กระทําการอย่างเดียวในโลกทิพย์อาจจะได้รับผลต่างกันก็ได้หากเขามีรสนิยมในทางดนตรีมาไม่เหมือนกันเช่นในการลูกคลาดอกไม้หรือปล่อยให้ดินร่วงพรู ล, ลงไปตามซอกนิ้วของตนนั้นผู้มีรสนิยมในทางดนตรี จะรู้สึกถึงเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นได้มากกว่าและลึกซึ้งกว่าผู้ที่เคยสนใจทางนี้มาน้อยหรือไม่สนใจเลยดังนั้นสภาวะของจิตของแต่ละบุคคลที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรืออธัธยาศัยประจาตัวของแต่ละบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ยินเสียงดนตรีมากน้อยเพียงไรเพราะในโลกทิพย์นี้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 ความตั้งใจที่จะฟังเสียงใดเสียงหนึ่งหรือที่ข้าพเจ้าเรียกว่าอธิษฐานจิตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากที่ต้องการกำลังใจอันมากมายแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นคุณสมบัติของจิตในที่นี้โดยแท้จริงอยู่สำหรับบุคคลที่เพิ่งมาจากโลกมนุษย์ใหม่ๆก็อาจจะต้องใช้กำลังจิตมากอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ปรับตัวคือจิตใจ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 ก็เป็นเช่นเดียวกันและเป็นความจริงทั้งในภาครับหรือเปิดและในภาคปฏิเสธหรือปิดคือเราอาจจะอธิษฐานจิตเปิดตาหูจมูกเป็นต้นให้รับอารมณ์ใดๆก็ได้หรือจะอธิษฐานจิตให้ปิดไม่รับอารมณ์ใดๆก็ได้ทันทีหมายเหตุผู้บันทึกเสียง เรื่องดนตรีนี้จะทําให้เห็นชัดนะครับว่าในสวรรค์ชั้นนี้เป็นกลุ่มเฉพาะทินทานภูมิภาคของท่านจะเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีส่วนใหญ่คือเครื่องดนตรีที่ชาวตะวันตกนิยมดนตรีที่แสดงคือออเคสตราเป็นดนตรีหลักของชาวตะวันตกในระดับของชนชั้นสูงนิยมกันลองคิดถึงคนจีนไทยอินเดียและคนอีกมากที่ตายไปตั้งแต่อดีตหลายพันปีนะครับว่าเขาจะฟังรู้เรื่องหรือจะชอบดนตรีแนวนี้หรือไม่ โดยรวมแล้วก็จะชอบตามท้องถิ่นของตนเองมากกว่าเป็นธรรมดาเป็นหลักฐานนะครับว่ามีการแบ่งถิ่นฐานบนสวรรค์โดยเฉพาะชั้นตน้นตนไม่ต่างกับในโลกมนุษย์ที่แบ่งตามเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมคนที่จะอยู่รวมด้วยกันได้ต้องมีความเชื่อความชอบใกล้เคียงกันนี่คือผลกรรมที่จัดสรรสภาพแวดล้อมให้ตามทิฐิตันหาอุปาทานของแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกันไปได้อีกมากนะครับเพียงแต่ความทุกข์ความสุข ยังมีในใจอยู่ในระดับเดียวกันสำหรับการฝึกดนตรีได้ง่ายกว่ามนุษย์นั้นให้ลองคิดนะครับว่าสุดท้ายจะมีประโยชน์อะไรถ้าทุกคนเล่นเป็นแล้วเก่งง่ายๆกันหมดไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยที่โลกมนุษย์เขายกย่องกันก็เพราะฝึกกันได้ยากนะครับเทวดาที่หลงความเก่งของตนในเรื่องที่ทำได้ง่ายก็คงไม่ต่างกับเศรษฐีที่ชอบอวดรวยซึ่งเป็นความรวยจากมรดก ที่พ่อแม่หามาให้ไม่ได้เหนื่อยยากลาบากสู้ชีวิตอดทนภาคเพียนจนหน้าภูมิใจให้หวดเลยแม้แต่น้อยนับว่าเป็นการหลงโลกที่น่าสงสารนะครับคงอีกนานกว่าจะถอนโมหะในสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ได้ทำดีแค่ไหนตายไปเป็นเทวดาก็ยังหลงดีใจในสิ่งไร้าสาระต่อไปได้ง่ายเหมือนเดิมกรณีชาวโลกทิพเสพเสียงเพลงได้ลึกซึ้งกว่าดูเหมือนจะเป็นข้อดี แต่ความจริงคือยิ่งสุขปราณีเท่าไรก็ยิ่งหลงยิ่งเพิ่มกำลังแห่งโมหะมากขึ้นเท่านั้นการจะได้เห็นสัจธรรมในเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงยิ่งเป็นไปนได้ยากขึ้นไปอีกสุขแบบนี้ถ้าไม่ต่างจากคนเมายาที่นอนเคลิมสุขล้ํากว่าคนปกตินะครับโดยที่ภายพิบัติสารพัดกําลังใกล้ตัวเข้ามาก็ไม่รู้ไม่ทันป้องกันตัวเหมือนคนที่ยังตื่นเต็มตาอยู่ได้เลย สวรรค์แม้จะดีกว่านรกแต่ก็พาหลงและลงต่ำได้หนักในอนาคตคืออาจติดสุขจนเพลินเกินพอดีหรือบุญหมดอาจลงอบายภูมิทันทีก็ได้หรือกลับมาเกิดใหม่ก็ยังหลงในสุขที่เป็นการมคุณต่อไปหากยังไม่บรรลุโสดาบันขึ้นไปก็มีสิทธิลงอบายได้เสมอเพราะจิตมนุษย์มักไหลลงต่ำบุญที่เป็นแค่โลกียกุศลเช่นพายเกิดมรวยก็เลยทำชั่วได้มากกว่าคนจนหลายเท่า ต่อให้มีเสียคนไม่ทำชั่วแต่ก็ต้องวนเวียนเกิดตายไม่จบสิน้นเมื่อเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายต้องพลัดพรากต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจที่เป็นของคู่โลกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่คือโทษของสวรรค์ที่ควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกด้วยสุขในความเป็นทิพย์ที่มีสภาพไม่ต่างจากอาหารรถเลิศในโลกมนุษย์สังเกตไหมครับว่าของที่มีโทษก่อโรคภัยได้มากนั้น ล้วนแต่เป็นของอร่อยของชาวโลกทั้งนั้นแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพรสชาติกลับชวนกินลงยากเหลือเกินซึ่งการติดใจในการกินอยากกินของอร่อยจิตย่อมมีเชื้อพร้อมจะสร้างร่างกายให้มีการเกิดในภพภูมิที่มีการกินต่อไปยังตัดใจจากความอร่อยไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปไม่จบสิ้นนะครับ